น, นี้ก็รู้สึกยินดีนะที่จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมเรื่องที่พูดวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเครียดเป็นเรื่องสบายไม่เกี่ยวกับศาสนาใครนับถือศาสนาไหนก็ฟังได้พวกเรานี่อายนุน้อยยังมีโอกาสที่จะออกไปผงาดด้วยความมั่นใจในชีวิตได้ แต่ที่ผมพูดเนี่ไม่ต้องออกไปพังอาจนะอยู่นี่ๆก็พังอาจได้ถ้ารู้จักวางจิตวางใจเพราะนั้นหที่นี่เนี่ผมรู้สึกว่าจะอาการที่หนักกว่าคนอื่นจะว่าไปแล้วก็คือต้องถูกจองจำตลอดชีวิตติดคุกของความพิการอันนี้คือส่วนร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจมีประสบการณ์ที่จะลาออกจากความทุกข์ แหกคุกทางจิตวิญญาณทำได้ไหมวันนี้จะมาชวนพวกเราดิแหกคุกทางจิตวิญญาณอยู่ให้คลายเครียดหน่อยหนึ่งฟังไปแล้วจะรู้ตั้งใจดีนะอาจจะได้คำตอบในการพูดวันนี้ก็ได้พูดอยวา้ด้วยความตั้งใจเห็นว่าสิ่งนี้ทุกคนทำได้อาการแบบนี้ทุกคนทำได้คือแหกคุกทางจิตวิญญาณเพราะผมเองก็ทำมาแล้วและก็ได้ผลด้วย จิตวิญญาณไม่ติดคุกของความพิการเห็นไหมจิตเรียกว่าจิตสดใสแม้กายพิการไม่ได้เสแสร้งไม่ได้สร้างภาพแต่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วในะจิตใจของผมอาศัยประสบการณ์ตรงนี้บางครั้งเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตบางอย่างบางทีไอ้ความผิดพลาดปัญห า, หาหรือความทุกเนี่ยมันก็ช่วยบีบขั้นเราเนี่ยให้แสแวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดความทุกข์แสนสาหัสเราก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะมารู้จักตัวเองมาเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วก็สามารถดาเนินชีวิตอย่างที่เป็นสุขได้มีประสบการณ์ชีวิตพมเเองเนี่จะวไปแล้วชีวิตเริ่มต้นจากปัญหาก็ได้นะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชีวิตผมมีปัญหาปัญหาเพราะาตัวเราเองเป็นผลที่สร้าง คือไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกมีพร้อมทุกอย่างก็ว่าได้นะในสิ่งที่เราอยากจะมีเรียนก็เรียนจบได้ทํางานในตำแหน่งชั้สูงแต่ว่าคอยผู้เราจําไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนหรอกมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆจนกระทั้งต้องประสบเคราะห์กรรมกระโดดลงไปในน้ําเนี่ยเห็นไ่มนี่คือจุดหักของกระดูกชีวิตเลยเห มาสู่เป็นคนที่ร่างกายเ ป, ป็นปฏิการิยเป็นคนพิการาแล้วนั่นคือปัญหาทุกเกิดขึ้นทางด้านร่างกายแต่เหตุมาจากไหนมาจากจิตใจเพราะความประมาทขาดสติขาดความรู้สึกตัวคิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์คงจะทำได้เราทำได้ทำได้แบบบ้าบินแบบขาดสติไม่เมาแต่ว่าขาดสติ เพราะรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมจึงมีผลทําให้ร่างกายต้องเป็นทุกข์ซึ่งร่างกายเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากให้กลายเป็นทุกข์แต่พราะใจใจเนี่ยเป็นผู้นําใจที่มีแต่ความประมาทใช่ไหมจิตเป็นนายกลายเป็นบา่าวมันใช้ร่างกายไปกระโดดน้ําด้วยความประมาทจึงต้องพิการตลอดชีวิตจิตใจเป็นต้นเหตุและที่ทุกข์มากนี่ไม่ใช่ร่างกายนะจิตใจเนี่ยทุกข์มากกายเวลามันเจ็บปวดเนี่ยเวลาเรานอนมันก็หลับ แล้วมันก็ลืมใช่ั้ยอย่างพวกเราเนี่ยใช่ไหมอหลับไปแล้วมันก็ลืมว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นอะไรแต่ใจมันไม่ลืมนะใจมันคิดปรุงแต่งสารพัดใช่ั้ยกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดอย่างเงี้ยหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะว่ามีความประมาทเนี่ยตรงนี้ใช่แต่ว่าคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ทั้งหมดเรามีวิธีการคิดที่ดีกว่านี้ คิดให้เป็นทุกข์ก็ได้ใช่ไหมคิดให้ไม่ทุกข์ก็ได้ทำไมจึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเลยไม่น่าเป็นอย่างงั้นไม่น่าเป็นอย่าง น, น, น, า น, างนี้ที่คนอื่นไม่เป็นอย่างเราคิดแบบนี้ทุกข์ไหมมันไม่สร้างสารหรอกมันทำให้เราต้องเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเป็นการซ้ำเติมแต่เรามีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคิดที่มันเปลี่ยนแปลงได้โอ้ปัญหาแบบนี้นี่เราจะทาอย่างไร จะแก้ปัญหาชีวิตตรงนี้ได้ใช่ไหมคิดให้มันเกิดการพัฒนาเรามีโอกาสที่จะออกจากปัญหาได้รอโอกาสสักหน่อยตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกวันเวลาผ่านไปจะบอกให้เรารู้จักคิดที่พัฒนาขึ้นใช่ไหมวิธีคิดที่สำคัญนะคิดให้เราเป็นทุกข์ก็ได้คิดออกจากปัญหาก็ได้แต่คิดอย่างเดียวนี่ยังไม่เพียงพอคิดแล้วต้องทาอย่างน้อยทาอะไรไม่ได้ทาใจไว้ก่อนรู้จัก อดทนและก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอดทนและก็ยอมรับการยอมรับนี่ไม่ใช่ยอมจำนนยอมรับเพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนพิการหรือผู้ต้องขังเกี่ยวกับคนทุกคนยอมรับแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าโอ้เราเป็นคนโง่ไม่รู้หนังสือยอมรับอันจะ พ, พ, พึ่งจผือโง่ไม่รู้หนังสือสามารถเรียนได้ใช่ไหม ย, ยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาพระเองเนี่คิดว่าไอเราสภาพร่างกายอย่างเนี้ยจะทช้ยังไงให้ชีวิตอย่างเี้ยมันมีประโยชน์กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเริ่มคิดหาทางแก้ปัญหานึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราเกิดมาอยู่ในเมืองไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝากไฟในศาสนาในเรื่องธรรมะก็นำอารรมานี่มาปฏิบัติเลยจับเอาหลักธรรมเนี่ย มาปฏิบัติให้มีขึ้นในชีวิตของเราแม้กายระบวดไม่ได้ไปวัดไม่ได้แต่ใจสามารถฝึกฝนให้มันดีได้ อ, าอ่านหนังสือธรรมะเนี้ยมันเริ่มมีข้อมูลของจิตใจที่มีวิธีคิดที่ดีบางคนอยากคิดดีใช่ไหมบางคนอยากคิดดีไม่อยากทําชั่วแต่ว่าทําไมมันจึงคิดดีไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลของเรื่องความดีข้อมูลนี้หาจากไหนหาได้จาก ธรรมะจากหนังสือจากการฟังอย่างวันเนี้ยจะนําเอาข้อมูลต่างๆมาให้เราได้แง่คิดแล้วก็นําเอาไปใช้ผมก็ใช้ชีวิตด้วยการมีธรรมะธรรมะมีมากมายเหมือนยาทั้งตู้ซึ่งรักษาโรคได้หลายอย่างแต่พวกมีธรรมะอยู่ขนานเดียวเปรตเสมือนยาที่หยิบมากินแล้วขวดเดียวรักษาได้ทุกโรคหมดนั้นก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัว มีความรู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดการใช้ชีวิตอย่างรูน้เนื้อรู้ตัวสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการศึกษาตัวเราศึกษากายของเราศึกษาจิตของเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นพอศึกษาตัวเราได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นเพราะเรากับคนอื่นก็มีจิตใจเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยธรรมะ หรือการมีความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาชีวิตจนรู้ความจริงว่าอ๋อนี่มันกลายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่ไหนชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ต้องต่อสู้ต่อสู้ให้เหนื่อยทำไมชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอย่างมีความสุขอย่าไม่ต้องมีความทุกข์ รู้จนเข้าใจว่าอ๋อนี่ชีวิตจิตใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเหตุของความทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีการออกจากทุกข์ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวเพื่อให้เกิดปัญญาเอาไว้แก้ปัญหาชีวิตเราเรียนรู้ชีวิตด้วยปัญหาด้วยความผิดพลาดด้วยความทุกข์นี่แหละคือเรียนของจริงของตัวเราทุกวันนี้และเกิดความเข้าใจชีวิตของเราเพราะเราได้เรียนรู้บ่อยๆใช้ชีวิตแบบมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็มั่นใจไปที่ไหนก็มั่นใจพราเรามีความเชื่อมั่นคือธรรมะมั่นใจในทุกที่เมื่อมีธรรมคือธรรมะตัวเดียวตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเข้าใจตรงนี้เนาะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะความผิดพลาดในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่ผิดจะรู้จักถูกได้อย่างไรควา ม, มผิดพลาดนี่ดีแล้วต่อไปเราจะไม่ทาอย่างนี้อีก เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้คือทำให้เราผิดมันจะสามารถบีบคั้นให้เราเรียนรู้จักแก้ปัญหาเรารู้จักแก้ปัญหาทั้งความผิดพลาดเพราะปัญหานี่แหละทำให้เรารเรียนรู้เข้าใจตัวเองผมชื่อว่าเราอยู่ที่นี่หลายปีเนี่ยเราควรจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าเหตุที่ทำให้เราต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะอะไรเ ร, เริ่มเข้าใจแล้วความผิดตรงนั้นเพราะอะไรเราจึงมาอยู่ที่นี่ แล้วต้อคนที่มีปัญญานะจะระงับที่เหตุไม่ตามเหตุอย่างนั้นอีกผลก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะทำเหตุนั้นให้เป็นเหตุที่ดีกว่านี้ผลก็จะออกมาดีถูกมเนี่ยอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์เลยเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีอย่างเช่นว่าต้องขออาภายัยอยาจะชีดทุกโทษของสุลาสิงเสติตั้หน่อยอาจจะเป็นแง่มุมที่ ในความสึกของผมนะอาจชีพพวกเราไม่เคยได้ยินมาไอ้อย่างสุลาเนี่ยผมเรียกมันว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยหรือน้ําปัททุสลายสติน้ําทําลายสติผิดศีลสุลาเพียงข้อเดียวนะข้อที่5เนี่ยสามารถผิดศีลได้อีก4ข้อเลยใช่ไมแล้วข้อที่ร้ายแรงที่สุดเลยเมื่อดื่มสุลาแล้วขาดสติมึนเมาสามารถฆ่าใครก็ได้แม้แต่คนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเราฆ่าลูกก็ได้ฆ่าเมียก็ได้ ฆ่าตัวเองก็ได้ผิดศีลแค่สุราข้อเดียวข้อมึนเมาเนี่แหละสามารถที่จะโกหกได้หรือลักขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดลูกเมียเขาได้แม้แต่ลูกตัวเองสามารถข่มคืนได้เพราะผิดศีลข้อสุรามึนเมาคนดื่มสุราเนี่ยมักจะไม่พูดจริงอ่ะกูไม่เมาถามกูไปเตี๋ยวเขาหน่อยตำรวจเลยไม่สาคัญนะตำรวจไม่เป็นไร ตำรวจเราก็กล้าพูดอันตรายนะพูดส่อเสียดตำรวจนะไม่เกี่ยวเรื่องเล็กเสร็จเลยเห็นเป็นนอนอยู่ในมุ้งสายเบัวทุกลายไปส่งกับสตอารมณ์นะเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะข้อเดียวท่านข้ออื่นก็ผิดหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอยู่ข้อเดียวที่ผมบอกเนี่ยมีข้อมีสติอย่างเดียวท่านเนี่ยมีสติมีสัมผัจัญ ญ, ญาเราก็จะไม่ฆ่าใครไม่ลักขโมยใครไม่ทําผิดรูปเมียใคร ไม่พูดโกกไม่ดื่มสุรารู้จักละอายตัวคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยสุราแปลว่ากล้าแต่เพราะว่าเขาไม่กล้าจะกล้าได้ไงขวดขวดเดียวเนี่ยขวางหน้าเดินข้ามไม่ได้นั่งล้อมวงสูบจะได้เนอย่างนี้เป็เดียวกล้าหรือไม่กล้าแล้วนั่งล้อมวงเฮฮากราบคอตกเนี่ยคอแข็งแต่คอห้อยนี่แสดว่าไม่กล้าคนกล้าต้องก้าวข้าม แมวก็ข้าวกล้ามนะแมวไม่หยุดนะแมวก้าวข้ามไปเลยเราเองก็ต้องก้าวข้ามไม่ได้กวดนิดเดียวแค่นั้นเองผมเคยมีประสบการณ์มีผู้ตรงขังพ้นโทษไปแล้วพ้นโทษไปสองปีกลับมาเยี่ยมชมลมเพื่อนคุณธรรมมาเยี่ยมเยียนก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาพ้นโทษไปแล้วสองปีเขามาคุยว่าเขาทางาน ออจารินจำแล้วไปทํางานอยู่ที่อู่ซ่อมรถชีวิตดีมากทุกคนยอมรับพราะเขามีความตั้งใจทํางานเขาบอกว่าเขาจะบวชบวชเพื่ออะไรบวชให้คุณแม่แต่เขายังสูบบุหรี่ยังดื่มเหล้าอยู่ก็ เ, เลยบอกว่าเอาละถ้าคุณจะบวชให้พ่อแม่นะเหบวนให้คุณแม่นะคุณไม่ต้องบวชหรอกคุณเลิกบุหรี่เลิกเหล้าซะเพราะว่าคุณไม่ต้องบวชก็ได้ พ่อแม่ก็จะภูมิใจในส่วนนี้ถ้าคุณยังบวชหนึ่งพรรษาเนี่กลับมาสู่บุรีดื่มสุราแล้วก็เพราะว่าคุณนี่ยังไม่ดีพอก็ถามว่าก่อนคุณอยู่ในเรือนจําเนี่ยก่อนจะเป็นผู้ต้องขังเนี่ยคุณสู่บุรีดื่มสุราไหมทําแล้วอยู่ในเรือนจํำละ่ะไม่ได้สู่บุรีแล้วก็ไม่ดื่มสุราและตอนนี้อ่ะคุณดื่มสุราคุณสู่บุรีรตอนเนี้คุณไม่ดีไปกว่า ตอนที่อยู่คุณอยู่ในเรือนจําเลยแล้วคูณกลัวจะกลับไปที่นั่นอนะ่ะดีกว่าตอนนี้นะโอ้เขาได้คิดเลยได้คิดเลยมันน่าคิดนะในเรือนจนํานี่อดได้งดได้แต่ออกไปเนี่ยทาไม่ได้แสดงว่าอยู่ในเรือนจําเนี่ยเป็นคนดีกว่าถูกไหมก็ เ, เลยได้แง่คิดเลยก็ เ, เลยประกาศเลยว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะไม่สูบบุหรี่และจะไม่ดื่มสุราด้วยแล้วเขาทำหน้าจริงจริงหนึ่งเดือนเขาฝากเพื่อนเราบอกว่า เขาเลิกแล้วโอ้ผมนิดไม่ได้ไม่เสียเขานะแต่รู้สึกภูมิใจในตัวเขารู้สึกภูมิใจในคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นไอ้แง่คิดแบบเนี่ยเรานํำไปคิดแล้วลองทําตามดูความคิดที่สําคัญนะนที่พระคุณเจ้าเทศตอนตั้รายการว่าถ้าคิดดีผลมันก็ดีคิดไม่ดีผลก็ไม่ดีไม่ดีนี่ไม่ใช่เพราะการการะทำเพราะเริ่มจากการคิดแล้วใช่ไหมอย่างเมื่อกี้บอกแค่คิดก็หนาวใช่ไหมยังไม่ทันทําเลย ถ้าทำลงไปนี่เน็บเลยนะมันมีหนาวแล้วก็เน็บแล้วเรื่องความคิดที่สำคัญมากความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เรามีสิทธิที่จะไม่เชื่อมันได้ใช่มมันห้ามไม่ได้แต่เราไม่เชื่อมันได้อันนี้แหละคือกุืนของเราละคือความไม่เชื่อความคิดของตัวเองเยถ้าใครทำได้นี่อยู่เหนือโลกเหนือชีวิตเลยแต่ทุกวันนี้เราเชื่อความคิดเพราะเราต้องมานั่งมองตากันแบบนี้เพราะเราเชื่อความคิดใช่ม ความคิดมันพามาความคิดที่มันผิดแล้วเราก็เชื่อความคิดแล้วมันก็พามาเจอกันตรงนี้แต่มันก็ดีนะถ้าเราได้แง่คิดที่คิดถูกต้องกันได้มันพาเข้ามาใช่ไหมพ้นออกไปแล้วถ้าเราไปเชื่อมันอีกมันก็เข้ามาอยู่เหมือนกันมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเรือนจำอยู่เลยเพราะเราไปเชื่อความคิดความคิดมันนาเอาความอยากความโกรธความหลงมาให้ อย่าไปโทษสุลาสุลาเขาไม่ดีไม่ชั่วยแล้วเพราะความคิดที่เราเชื่อมันเชื่อความคิดแต่ถ้ามันเกิดความอยากคิดอยากปับ๊บตัดวัฏตะสงสารการเบียนไหวาตายดื่มเลยอันนี้สําคัญนะตัดวงกลมเห็นวัฏตะสงสารในจิตใจของเราทันทีเลยความอยากความดื่มความติดนี่มันเป็นคุกที่มันขังจิตใจเราใช่ไหมเนี่ยแจใหแหกคุกตรงนี้นะมันจะหแหกคุกที่ไหนนะ แล้วเราทำได้ด้วยให้รู้จักคิดดยก่อนอย่างน้อยคิดว่าเราทำได้ก่อนว่าเราทำได้ก่อนไอความคิดบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราทำได้จริงๆนะแล้วลองทำดูทุกวันนี้เราก็ทำอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ว่าผมจะให้เคล็ดลับที่จะเอาชนะไอความอยากได้คือเราต้องมีสติเวลามันเกิดความอยากเกิดความคิดปับ๊บมีสติรู้ทันทันทีเลยแค่รู้ทันเนี่ยมันแทบจะจบเลยนะตัดกาลังความอยากไปเยอะเลย รู้แล้วก็ไม่ทำตามเน็ตหักมุก ค, ความอยากทันทีเลยความอยากหมดมุกแสดงตัวไม่ได้พอคิดอยากปั๊บมีสติปุ๊บ ค, คิดโกรธปั๊บมีสติปุ๊บตัดได้ทันทีมันคิดอีกรู้อีกคิดปุ๊บตัดปับ๊บตัดคือการมีสติรู้ทันเท่านั้นซึ่งเราทาได้พอตัดตรงนี้ลแล้วก็ทุกอย่างจบอัชนะความคิดได้คือการมีสติรู้อยทันในความคิดของเรา แล้เราก็ไม่เชื่อมันอยากทําได้ไหมไอ้ที่เราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราหลงไปกับความคิดรืมเนื้อรืมตัวรืมดูตัวเราเราไปกับความคิดหมดเลยแล้วเลืออ่องอดีตต่างๆที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปกลับไปคิดมารู้สึกเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องห้ามความคิดแต่รู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้ทันทีเลยการทํางานที่อยู่ในนี้เนี่ยถ้าทํางานอย่างมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยงานนั้นก็ไม่เหนื่อยแล้วก็มันเสร็จเร็ว แล้วก็ไม่เต็งด้วยสนุกกับการทํางาน mm hmm. การอาบน้ํา mm hmm. การทานข้าว mm hmm. อย่าปล่อยให้างกายมันเคลื่อนไหวฟรีๆให้มีสติรู้ ก, กับการเคลื่อนไหวในแดงงานของเรามันจะมีความสุขตอนนี้เราไมา่รู้อยู่ที่ไหนที่ซ้าไปสุขด้วยการใช้ชีวิตวนี้ mm hmm. นําเอาไปใช้ mm hmm. เวลามันคิดขึ้นมาก็อ๋อนี่มันคิดเนี่ยเห็นไหมกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการใช้ชีวิต mm hmm. อย่าคิดฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆ อย่าเบื่ออย่าเหงาฟรีๆให้มีสติรู้ทันมันรู้ว่ามันคิดแล้วกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวกับการทำงานอย่าฟรีชีวิตอย่าฟรีต้องศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองนี่คือการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าเป็นบุญสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยซึ่งศาสนาอื่นก็ทำได้เราไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปให้ทานที่ไหนมีสติอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ยศีลจะครบถ้วนเลย ใครเป็นผู้รักษาศีลสตินะถ้าขาสติเนี่ยมันก็ทําผิดทุกอย่างรู้ทันความคิดเมื่อไหรแล้วก็ศีลบริสุทธิ์อย่าว่าแต่ศีลห้าเลย2องยยีแบบพระคุณเจ้าก็รักษาด้วยสติเหมือนกันเห็น ไ, ไหเอาบุญมาแจกจะรับไหมรับไปก็ไปเป็นแบบตามนะชีวิตคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาจิตใจเราได้ โดยที่ไม่มีขีดจากัดเลยอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างน้อยเราก็ต้องคิดดูว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนใหม่ได้เพียงแต่เรารู้จักแยกแยะว่าอะไรนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้สุขอันนี้ทุกข์ให้รู้ว่าสองอย่างนี่มันต่างกันมากคนละขั้วแล้วก็เลือกทาในสิ่งที่ดีที่ถูกที่สุขเราเลือกได้ใช่ไหม แม้ว่าเราจะเคยมีชีวิตที่ผิดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้จักถูกจึงต้องทำผิดไม่รู้จักจิตขวัญจึงกระเจิงเป็นเงี้ยหอย่างน้อยสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่เราผิดพลาดนั้นมันก็ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงคนที่เคยกระทำความผิดเท่านั้นที่เคยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ทำความผิดนะเนี่ยทุกคนเป็นคนดี และประกันทุกคนเป็นคนดีแนละ้วตอนนี้นะเราเป็นคนดีแล้วเราผู้ที่มีศีลแล้วเป็นผู้ที่มีสติแล้วไอ้ที่คนที่เคยทำผิดเนี่ยมันตายไปแล้วนี่เราเกิดใหม่แล้วนะเพราะเราเกิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่เราเคยกระทําไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปทําอีกถ้าเรากลับไปทําอีกแล้วก็เหมือนเดิมก็เหมือนสุนัขมันคายแนะล้วคายอาเจียมนมาแล้วก็กินต่อเราไม่ให้เป็นแบบนั้น สิ่งที่เคยทำผิดมาแล้วเป็นครูอย่าไปทําแล้วก็อย่าไปหมกมุ่นในความคิดเก่าๆอย่าหมกมุ่นในความคิดเก่าๆมันเก่าไปแล้วแล้วกับแล้วกันไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราสามารถป ร, ปรับปรุงชีวิตใหม่ได้คิดเป็นสิ่งที่ดีว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกผิดเป็นครูสําคัญก็คือเราให้เราต้องทําความดีอย่างน้อยมีศีลห้าแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบวินัยของเรือนจําเพียงแค่นี้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติเนี่ยสาคัญที่สุดเลยอยู่อย่างมีสติคุณก็จะมีบุญกุศลตลอดทั้งวันมีสติทั้งวันก็มีบุญทั้งวันสร้างกุศลทั้งวันแล้วจะเกิดความภูมิใจเราจะมีกําลังใจเกิดขึ้นกําลังใจที่เป็นกําลังภายในนั้นเกิดจากการทําความดีถ้าเราทําความดีแล้วมันเกิดความมั่นใจเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้ว อ น, นมันจะเกิดกำลังใจที่เป็นกำลังภายในมากนะอย่างน้อยการอยู่ที่เนี่ยถ้าจะอยู่ให้มีความสุขถ้าเราทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเราก็อยู่อย่างสบายใช่ไหมอย่างสบายเลยอย่างน้อยเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลสิ่งที่ทำให้เรากังวลคืออะไรไหมทุกวันนี้คือบุคคลภายนอกคือญาติของเราเนะ่เมื่อไหร่เขาจะมาเยี่ยมเขาจะมาไมเนาะ เขาเป็นเครื่องกังวลเพราะฉะนั้นขอให้เราตัดญาติชั่วคราวไม่ได้ลืมทีนะี้ชั่วคราวก่อนตอนนี้เราขอมาฝึกจิตฝึกใจตัดญาติชั่วคราวเรามามีญาติใหม่คือญาติอันนี้สําคัญมากญาติภายในเนี่เป็นของจริงนะไอ้ญาติข้างนอกเนี่ยมันกินเหล้ากับเราด้วมันก็ไม่มาหาเราแล้วใช่ไม่มมันเป็นนแค่เพื่อนกินเราครบกันอีกตรงที่กินเหล้าพอเราจะวงเล่าแล้ว ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปแล้วต้องตัดห่างกันชั่วข้าวก่อนตอนนี้ขอมาชุบชีวิตใหม่มาสร้างญาติภายในเห็นไหมนี่แหละคนใกล้ตัวนี้ญาติที่แท้จริงนะเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอบอ้อมอารีต่อกันให้อภัยกันเมตตาซึ่งกันและกันอย่าเห็นแก่ตัวรักกันเข้าไว้สามขีดกันเข้าไว้อันนี้คือญาติที่แท้จริงใครดูเถอะคุณออกจะนี้ไปแล้วเนี่ย กูจะนึกถึงกันตลอดเลยสร้างญาติภายในซะเราจะอบอุ่นแล้วเคล็ดับอีกข้อนก็คือว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีศีลห้ามีสติทำตามกฎระเบียบ ม, มีเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังมีหนุ่มคนหนึ่งถูกข้อหาคายาสองปีเข้ามาในเรือนจำโอ้เป็นทุกข์มากเลยสองปีนานมากนานเหลือเกิน ก็ไปเห็นผู้สูงอยู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ในเรือนจําเหมือนกันนั่งร้องเพลงอยู่ไอ้หนุก็ไปถามเอ็คุณลุงลุงติดคุกกี่ปีลุงติดคุกตลอดชีวิตว่าลุงติดคุกตลอดชีวิตดียวลุงยังร้องเพลงได้เลยหรอร้องได้ลุงมีเคล็ดลับของการติดคุกอย่างมีความสุข好吗เอาไหมเคล็ดลับนีลุงบอกว่าถ้าอยากจะใช้ชีวิต ในเรียนจําอย่างมีความสุขจงตัดญาติข้างนอกแล้วก็สร้างญาติข้างในและตั้งใจติดคุกร้องหรื อ, อยังทุกวันนี้ตั้งใจที่คุกหรื อ, อยังถือว่าการอยเรียนจาเนี่ยเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตยอมรับสิ่งที่เรากําลังมีกําลังเป็นพอใจตรงนี้ซะถ้าเราพอใจที่จะอยู่โดยที่ไม่รังเกียจโดยที่ไม่ต่อต้าน มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยเข้าใจอย่างนั้นไหมเพราะเองก็เช่นเดียวกันนะผมอยู่ในสภาพที่ไปการเนี่ยผมอยู่แบบไม่งอหญ้าข้างนอกนะตัดหญ้ข้างนอกสร้างหญ้าข้างในคือคนใกล้ตัวเนี่ยนี่คือญาติที่แท้จริงผู้ดูแลผมผู้ช่วยผมคนนี้คนที่รักเราแต่คนที่เรารักกลับไม่ใช่คนนี้อย่างพูดเราเช่นเดียวกัน คนที่รักเราคือใครคุณพ่อคุณแม่แต่คนที่เรารักคือใครคือคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราเออถูกไหมคนที่รักเราคือคุณพ่อคุณแม่แล้วคนที่เรารักล่ะบันทีลืมพ่อแม่ไปลืมคนมีพระคุณเพราะนั้นเคล็ดลับบบเนี้เอาไปใช้เราอยู่ที่เนี่ยคืออยู่แบบนักศึกษาศึกษาชีวิตต่อไปจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาด